พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบชนะวสพสูตรสูตรว่าด้วยยักษ์ชื่อชนะวสพพระสูตรนี้ก็มีข้อความขยายความแห่งมหาปรินิพพานสูตรเช่นเดียวกันคือเล่าเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสเมื่อประทับหน้าโรงพัก ค, คนเดินทางทำด้วยอิฐที่นาที่กักขามระหว่างเสด็จสู่กรุงเวสาลีพระอานนท์กราบทูลถามถึงว่า ผู้นั้นผู้นี้ตายแล้วไปเกิดในที่ไหนและพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นรายๆไปในส่วนที่เกี่ยวกับพระเจ้าพิมพิสารพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าว่าได้มาปรากฏต่อพระองค์ประกาศตนว่าไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อชนะวสภะสาหรับคําว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชโดยปกติคําว่ายักษ์แปลได้หลายอย่างเช่น สัตว์เทพพระขีนาศรากศกสุดแต่ความหมายในที่นั้นๆพระเจ้าพิมพิสารได้มาปรากฏประกาศตนว่าไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อชนะวสภะและว่าตนมีความหวังจะได้บรรลุความเป็นพระสกทาคารีคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วจึงหวังจะได้บรรลุขั้นต่อไปคือการเป็นพระสกทาคามีได้แก่พระอริยบุคคล ผู้จะมาเกิดเพียงครั้งเดียวแล้วเล่าว่าตนได้เคยไปประชุมที่ธรรมสภาในดาวดึงสเทวโลกได้เห็นว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคซึ่งไปเกิดในที่นั้นรุ่งเรืองเหนือเทพอื่นๆทั้งโดยผิวพันุ์และโดยยศพร้อมทั้งได้เล่าถึงภาสิทธ์ต่างๆของสนางกุมารพรหมซึ่งกล่าวในธรรมสภา มีใจความดังต่อไปนี้หนึ่งพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะทำให้บริบูรณ์ในศีลย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทพชั้นประนิมิตะวะสววตีคือสูงสุดในชั้นกามลงมาถึงชั้นจาตุมหาราชคือเทพประจำทิศทั้งสี่ยงตาที่สุดก็เป็นคนทันคือเทพที่สิงอยู่หน้าต้นไม้ 2. อ, อิทธิบาทคือคุณให้บรรลุความสำเร็จสี่อย่างทำให้สมณพราหมณ์ในอดีตอนาคตปัจจุบันแสดงฤทธิ์ได้ด้วยประการต่างๆ 3. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้โดยลำดับซึ่งการบรรลุโอกาสสามเพื่อบรรลุความสุขโอกาส3าคือ 1. คนที่เคยคลุกคลีด้วยกามด้วยอากุศ ล, ลธรรม ภายหลังไม่คลุกคลียอมได้สุขโสมนัสสุกกายสุกใจหมายถึงบรรลุฌานที่หนึ่งคนที่มีเครื่องปรุงกายเครื่องปรุงวาจาเครื่องปรุงจิตอัญญาอันไม่สงบระงับภายหลังสงบระงับได้ยอมได้สุขโสมนัสยิ่งขึ้นหมายถึงได้บรรลุฌานที่สองถึงที่สี่สคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นกุศล อกุศลมีโทษไม่มีโทษควรเสพไม่ควรเสพเลวประณีดดำขาวและมีส่วนเปรียบตามความเป็นจริงภายหลังได้สดับอริยธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงรู้จักสิ่งเหล่านั้นตามความจริงก็จะละอวิชชาเสียได้วิชาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีสุขโสมนัตยิ่งขึ้น หมายถึงได้บรรลุอรหัตตมักอรหัตตะผลภาสิทธ์ของสนังกุมารพรพมข้อสพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสติปัฏฐานคือการตั้งสติสี่อย่างเวดีแล้วทรงแสดงการตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือธรรมะทั้งภายในและภายนอกห้า ธรรมะเจ็ดประการคือความเห็นชอบความดาริชอบการเจรจาชอบการกระทาชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบการตั้งสติชอบเป็นบริขารของสมาธิทำสมาธิให้บริบูรณ์ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอันแวดล้อมด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้ชื่อว่าอริยะสมาธิอันเรียกว่า มีอุปนิสัยคือบริวารบ้างมีบริขารคือเครื่องประกอบบ้างหมายเหตุ head, ในพระสูตรนี้เรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาและสวรรค์เป็นเรื่องที่พึงศึกษาและพิจารณาแต่สาระสำคัญเห็นได้ว่าอยู่ที่ข้อธรรมะอันพึงปฏิบัติที่ย่อไว้รวมห้าข้อดังกล่าวมาแล้ว